สบายนะแล้วก็ตั้งใจมันอย่างที่เรากล่าวาจาประมอบกายถวาชีวิตเพราะว่าชีวิ ต, วววตเนี่ยมันคือสุขทุกข์กที่เราได้มีอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุปัจจุบันมันเป็นชีวิตที่เราต้อง ผ่านสุผ่านทุกข์มามากมายและชีวิตที่เราผ่านมาอย่างนี้เราไม่เคยได้พบทางออกจากความทุกข์มาเลยสักครั้งเดียวเจ้าเราได้มาพบพระพุทธเจ้าเราพบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาพบพระอริยสงฆ์เราจึงเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้มีความหมายทรัพสมบัติเจ้ามันไม่มีความหมาย แล้วก็ตัดสินใจว่าตักแด้แบบนี้เป็นต้นไปและจะสังรวมกำลังใจของเราให้ตั้งมั่นเปินสมาธิจิตีึงมาไปใจเข้าเล็กๆหายใจออกยาวๆนะสามสี่ครัให้เป็นการผ่อนคลายร่างกายของเราไปก่อนเพราะถ้าร่ารงกายติดค้าเราเราจะทตาสมสงบใจได้ยาก แล้วก็จะเห็นว่าความทุกจากการมีร่างกายแม้จะลมหายใจของเราก็ยังสามารถจะเบียดเดียนให้จิตใจก็เรากระสับกระส่ายได้กาลหมหายใจมาเดินปกติก็ดีไปง่ากายกำหนดรู้ตอนนี้ก็ให้ถึงคําภาวนาโดยเฉพาะเราจะฝึกในเรื่องของอภิญญาได้ใช้ภาวนาตามที่พระเดชวุฒิหลวงพ่อจะได้มอบให้กับเราไว้เป็น สศปะนับมะเราไม่ใจเข้าก่อนนะมะเราไม่ใจออกก่อนพัดทะทำแบบไม่ต้องบังคับทำได้อารมณ์คารมทำได้จิตอนอ้อมได้สิ่งพระคุณของพระพุทธเจาพระสัมมาอาวยะสองครูบาอาจารย์ทำได้ใจอย่างนั้นนะ อย่าไปทำเพ้าใจเราอยากให้มันรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกมันเหนื่อยมันไม่มีประโยชน์ทำด้วยเสียงพระผู้ใจพจะระเชะญองค์ใดองค์หนึ่ใออ ง, นนะงให้เราพักคำวนาวนามะกับพลงลหายใจเข้ากับนะมามะลมหายใจออกกับพระพระทำอย่างนี้นะชัดเจนประที เราตอบใครนี้นะเธอไม่ต้องภาวนานั่งใจฟังนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย2่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้ยสี่สิบแปดก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกในด้ของอจิญญาสมาบัติเล็กๆกันสิ่งที่มีความสำคัญในเบื้องต้น เราเคยจะได้สมาธิสิ้นแล้วได้ระลึกนึกถึงพระคุณขอ ง, ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสนี่พึ่งของเราเราก็ตั้งใจแล้วเราได้อธิษฐานจิตขอครูบาอาจารย์โดยเฉพาะองค์พระเดชพระสัมมาสัมิตรขอให้กบัติฐานของเรานั้นมีสภาพแจ่มใสมีคิดจุกจิกแจ่มใสเห็นรู้เห็นในอริตอนาคตปัจจุบันได้อย่างถูกต้องเราก็อธิษฐานขอพรท่านแล้ว แนี่ยพเธต้องทําใจของเธอละว่าเวลานี้หากเราต้องการเป็นมีสภาพเป็นทิพย์เคลื่อนใจของเราจะรับรู้สิ่งที่ไม่ใช่แดงมนุษย์แล้วก็ต้ อ, ออกจากมนุษย์นี้ไปซะทาใจออกจากร่างกายนี้ไปอย่างไรก็คิดตัดสินใจเอาว่าเราเดมามาก็ไม่ได้มีอะไรมา ตอนมาก็มีแต่จิตดวงเดียวจิตล้นล้วนไม่จะมีอะไรแม้เธอจะเคยสวยความสุขเป็นเทวดานางฟ้าได้เป็นตรงได้จะไปสวยความสุขที่ไหนสิ่งที่ เ, เธอมีแม้กระทั่งวิมานกริอธิษมานกายที่มีเครื่องทรงสวยสดงงามก็ตามแต่สว่างสวยที่ปรากฏออกมาจากอจิษมานกายของเธอก่อนหน้านี้ ตาที่มาจุดเด็ดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เอามาด้วยก็ไม่มีคนที่เป็นญาติคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นบริวารที่อยู่หน้าวิมานสงศิ์ทุกคนทั้งหลายที่ท่านทั้ ง, งหลายที่จะไว้ความสุขอูรวมกันบางท่านก็ไม่ได้มาด้วยเราก็มาคนเดียวมาก็ไม่ได้เอาอะไรมา เนื้ต่บุบาปที่ทําไว้ในชาติก่อนๆที่ติดตัวเรามาเป็นสมบัติสมบัตินี้ก็ทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดนัสถาที่นั้นที่นี้ที่นูน่นแล้วแต่สมบัติของใครทําไว้อย่างไรคือด ก, กับการจะทําที่เรียกว่ากรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลมันก็ต้องคนให้จะไปเกิดกับคนนั้นเกิดกับุคนผู้นี้ เพื่อให้ผลของกรรมาได้แสดงเป็นไ ป, นปนตามกฎของมันนั่นคือสมบัติที่เจอได้แหละเป็นมาได้รูปร่างหน้าตาตอนเป็นมนุษย์จะสวยหรือไม่สวยจะอยู่สถานที่อย่างไรก็ตามเธอก็ได้เกิดมาแล้วแล้วเมื่อเกิดมาแล้วเธอจะมาอาศัยอะไรอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ก็สร้างให้ มันก็แปร่างกายมันก็เปลี่ยเขี่ยห่อหุ้มเรือเราเป็นผู้ใส่เอาใจเข้าไปใส่เอาใจก็้เป็นตัวบังคับถ้าจิตเราไม่บังคับร่างกายนี้มันก็ไม่ทํางานแ้าร่างกายนี้ไม่มีจิตคลองอยู่มันแคอย่างเดียวมันก็หยุดการทํางานและอบามาว่าร่างกายนี้มันก็เหมือนคารถยนต์ แต่เราไม่ขับไต่อย่างเดียวมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้ปล่อยไว้นานๆมันก็พังไปเองข้อนี้ฉันใดเรามาอาแส ร, ร่างกายตั้งแต่น้อยค่อยๆไปิปรุงแต่งมันไปเรื่อยๆมันมาถึงนับปัจจุบันใช้ก็สร้างสะสมสิ่งต่างๆที่เป็นของมีค่าสร้างกระทั่งลูกกระทั่งเมยกระทั่งสามีสร้างสิ่งต่างๆเยอะแยะบางคนก็ไม่ได้คิดสร้างเหล่านี้ แต่เราก็มีสมบัติสิ่งที่เราได้มาจากการงานสมบัติอย่างสิ่งที่ได้มาจากมรดกแตโดะเฉพาะร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็เป็นกรรมของเราเองที่เราจะต้องมาอาศัยสมบัติอย่างนี้ลงตามแล้วลงมาถึงนีแต่ตอนที่เราเราไม่ได้ลงมาเกิดเราก็ไม่มีอย่างนี้เลยแม้แต่นิดเดียว ไปเป็นเทว ด, ดาก็ขึ้นไปอย่างคนไม่มีอะไรก็ไม่จะจิตดวงเดียวไปอยู่บนสวรรค์พอไปถึงสวรรค์ต๊ก็มีวิ ม, มานมีข้าทาสบริวารมีฝามเป็นชิดถ้าติดตามเราแล้วมองเห็นอะไรบ้างไปที่ไหนมันถึงมีถูกไหม แต่เร า, าไปสวรรค์มันก็มีาสภาพที่เรามีบุญถ้าเราไปนรกล่ะแล้ก็จะมีสภาพเหมือนอย่างสัตนรกถ้าไปเป็นเปรตก็มีสภาพอย่างเปรตถ้าไปจะเป็นสตัตว์ใชาก็มีสภาพอย่างสตัตว์ใชาต้กอนไปที่จะไปเจออะไรเธอก็แค่ดวงจิตดวงเดียว ไม่ได้มีในจิตตัวเป็นสมบัตินอกจากกรรมกับสัญญาความัำของเธอกับสิ่งที่จะ้องขอให้เธอเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ได้ประกอบกรรมนั่นเองนั่นจะดูตัวของเธอที่ว่าจริงเๆมันมีอะไรมีเนื้อหนังบางสานี้ไหมมันไม่ใช่มีทรัพย์สมบัติไหมไม่ใช่เป็นของเธอใช่ไหมไม่มีจะมีอะไร ไม่ใช่จิต ด, ดวงเดียวหากเธอจะไปเป็นเทวดาเธอก็ไปแค่จิตของเธอที่มีคุณธรรมของเทวดาคือมีหิลิโกจัปปะหากเธอจะไปอยู่ที่ปลอมโลกเธอก็จะมีคุณธรรมของคนที่เป็นปลอมคือมีตรงอยู่ในภูมิฐานสีที่ทรงชาติจมามปาหากเธอจะมาเป็นมนุษย์เธอก็จะมีคุณสมบัติของป่าเป็นมนุษย์อย่างน้อยเธอก็ต้องมีสิทธห้า กรรมาบวชติถ้าจะไม่มี1ิห้ากรรบวสติดเธอก็ต้องลงนรกไปก่อนนี่แต่ยังเคยมี1ิบห้ามีกรรมบวชติมาบ้างก็ได้มาเป็นมนุษย์แต่ว่าบุญเราน้อยเรามาเกิดในช่วงที่มันมีความยากลำบากบางช่วงเราเกิดที่ช่วงที่เรามีบุญมาก เราก็เกิดในต้วงที่สบายสบายทั้งคนที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นคนดีแต่นะช่วงเวลาที่เธอเกิดมาชาตินี้มันต่วงกล่งสบายกลืนลำบากต่ว่าลำบากทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ใช่ต่ว่าสบายแค่อย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนะไม่ยอยู่กึืนกลืนกำลังใจมันก็เลยขึ้ น, นล ง, ลง บางครั้งก็ดูดีใจว่าเรามีสมบัติบางครั้งก็สูญเสียสิ่งทั้งหลายต้มาเสียงใจกับสิ่งที่หางจากเราไปความคิดบนเหล่านี้เป็นของเล็กน้อยก็จะจะพูดออกไปมันห่างไกลจากนจึงที่มันมีอีกนี้อีกมากเหลือเกินแต่รวมตามให้เจอได้มาให้ความพิจนารณาแม่เรากระจายมันออกไปแล้วก็รวมกันมาเราก็จะพบว่าเราไม่ได้มีอะไร เป็นสมบัติจริงๆเลยมีแต่จิตของเราโด่งเดี่ยวถ้าจะจะออกจากร่างกายนี้ไปจะมีความอะไรอวบนไหมแล้วก็คิดก่อนจะได้ไหมยังมีความกลัวที่เราจะออกจากร่างกายนี้ไปไหมทุกข้างไหนที่มี ภาระจากร่างกายมันมากพอพอที่จะทำไม่เจอจัดสินใจอย่างไม่ลังเลสงสัยได้ไหมภาระทั้งหนายที่เธอต้องคอยทําในทุกวี่ทุกวันทําให้เลยเธอไม่มีโอกาสเป็นอิสระมันเพียงพอที่เธอจะออกจากร่างกายนี้ไปอย่างไม่อาลัยอาวรณ์ไหมต่อความปุบเบิ้ลหน้าที่จะไปในใจของเธอที่มีอย่างน้อยก็มีสิริโฉดปะมีความละอาย เก่าบาปมีาตามแกงครัวผลของความชั่วที่ทําให้เราต้องตกนรกอย่างน้อยเราก็มีสิทธิห้ากบบสิทธิครบตอนนี้เรารักษาสิ่งผมมาจัดด้วยและสิ่งที่เธอมีในชิในใจของเธอคือว่าเรามีความเมตตามีความรักสงสารทุกคนยินดีทุกคนมีความสุขแล้วก็ต้องยอมรับกฎ ข, ของความเป็นจริงว่าทุกคนไม่มีใครไม่ตาย เปลืร่างกายตายหมดทุกคนไม่มีใครสามารถเอาอะไรไปได้นอกจากการการะทำของตนที่ได้ว่ากับและสิ่งที่ติตของเธอจะมีความปัาจจุบันจะเคลื่อนไปที่ไหนคือความดีถ้าฟามดีของเธอมีมากเธอก็ไปอยู่ในที่ที่ดีมากฟามดีของเธอมีน้อยเธอก็อยู่ในที่ที่มีความดีน้อย ถ้าความดีของเธอไม่มากไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสเตรวโลกได้เธอก็อาจจะเป็นเทวดาท้ายแถวแถ้าความีีของเธอมีมากขึ้นเธออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเตรวโลกเธอก็มีโอกาสเป็นเทวดานั่งอยู่หัวแถวเวลาพระพุทธจเจ้าเสด็จมาโปรดเธอก็จะเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้ๆความดีตัวนี้สร้างมาจากไหนก็สร้างมาจากใจที่เธอ คำว่าเพียงแมพระผู้ใจเจ้าพระตามพระอริยสงฆ์น้อยที่สุกนี่เป็นเด่เด่นที่สุดคือเรามีความกตัญญูกรตัญเูทีกับผู้มี พ, มพระคุณต่อเราอย่งมีจิตใจเต็ไมได้วยความเมตตาปรารถนาส่งข้อให้ทุกคนมีความสุขมีอยู่ในใจเรามันก็จะเป็นความดีทําให้เราเคลื่อนจิตไปบนสวรรค์ได้โดยที่ไม่ต้องมาตั้งกําหนดเพราะฉนั้นจะไปเป็นเทวดานะฉันต้องการจะเป็นนางฟ้านะ แค่ต้องกาเป็นกรมนะแค่ต้องการจะไปเป็นพระนิสสุทธิเทพอยู่ที่นิพพานนะความอยากแบบนี้กับความตั้งใจสิ่งเท่านี้มันไม่สามารถทำให้แจขเงเธอไปถึงได้มันอยู่ที่ความดีถ้าความดีเธอมีเธอไปได้เลยจิตมันไปเองใจ ป, ปรากฏที่นั่นเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องอยาง ขอให้เจรทำใจของเจรนะเวลาเนี่ยทาจิตให้มีความดีให้เท่ากับสถานที่ที่จะต้องการจะไปอยู่อันนี้ยสําคัญมันไม่ใช่เราอยากจะไปแล้วก็จะไปโดยกําลังสมาธิว่าจะไปไหนได้สมาธิอย่างเดียวหลุดออกจากร่างกายนี้ไปจะไปได้อย่างน้อยก็แค่สัปพเวสี ต้องลอยได้ในดิแนแดนมนุษย์นี้อันนี้นไปได้ถ้าจะขึ้นไปบนสวรรค์เธอก็ต้องมีความดีอย่างน้อยจะมีความกระจันตุกระกะเวทีต้องมีอันนั้นต้องมีอย่างน้อยจะต้องมีอะไรเป็นคุสมบัติมีใจเพระตาปราณีต้องมีมีความดินในการให้ทานเธอต้องมีถูกไหมมีเป็นอย่างน้อยจิตของเธอณเวลานั้นะเธอขึ้ น, น, น, น ไ, ไปสวรรค์ได้ในสวรรค์ได้ ไนกราบพระที่พระจุมมลมณีเจดียสถานไปได้ถ้าเธอทรงจจะมาบัตดีขีดใจถ้าเธอทรงอยู่ในภพวิหารสี่นีเรยกว่ผมีภพวิหารสี่เป็นข้ออะไรเป็นข้อวัดป ฏ, ฏิบัติจะจังใจในใจเนี่ยรักในการที่เจะาคุณสงเคราะห์คนยินดีเมตตาทุกคนสงสารทุกคนช่วยเหลือทุกคนนะ ไม่มีอิจฉาริษยาใครไม่แต่ยินดีปาจฉนาดีกับเขาเห็นใครดีก็ดีใจด้วยและพยายอมรับความจริงบ้างวะยังไงเสียรเราก็ช่วยได้เแ่าเนี้ยเต็มกําลังของเรามากกว่านี้เราคงทําอะไรไม่ได้นะก็หวางเถิจะจิตจะตจงอยู่อย่างนี้เป็นชีวิตจิตใจในหนึ่ผ ม, มิหาสิถ้าโป็นีของเธอเธอทําตอนนี้ทําให้ใจของเธอทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าสมาธิของเธอได้มากเท่าไหร่ จิตมันก็จะไปอยู่ที่ปรมโลกชั้นนะั้นถ้าจิตของเธอตรงแค่พอสมสัครใจอยากอยากแล้วก็จะไปอยู่ความชั้นที่หนึ่งแต่ไปได้แค่นะั้นตัวไปกว่านั้นเธอเข้าไปไม่ได้เห็นไหมงั้นความอยากงั้นความต้องการความปรารถนาไม่ใช่ตัวผลักใจให้เธอไปสิ่งที่มันต้องมีคุณสมบัติของใจเธอนั่นแหละทั้งมร้อม เหะสมกับสถานที่จึงจะเคลื่อนจิตของเธไปนัดที่นั้นได้โดยเฉพาะอย่างนี้งทเศอปรารนาจะเคลื่อนใจไปสู่พระพิพามันจะต้องมีความพร้อมในการตัดถึงใจของเธออย่างไม่มีอะไรอาวรณ์ในการเกิดถูกไหมเธอต้องเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดมีแต่ความไร้าสาระคือไม่มีความหมายมี่จะความวุ่นวาย เมื่อเราปฏิยนินไหวใจเกิดเป็นสวรรค์หรือสมาโลกให้มนุษย์นี่ยยังก็ต้องมาเป็นสมบัติแห่งเราอยู่วันหนึ่งครับวันหนึ่งเมื่อบทบุญวาสนาบรารมีที่นใดขึ้นหนึ่งเราก็ต้องมากลับมาเป็นเออิปเป็นมนุษย์อีกถูกไหมแม้แต่จะตกนรกวันหนึ่งข้างหน้าเธอก็ต้องมาเป็นมนุษย์อีกนั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่ห่างจากใจเธอได้เลยตราบใดที่ใจของเธอยังตัดตามถึงพอใจมันไม่จบ นั่นเวลาจะยกริดใจพระนิพพานต้องไม่ไม่ต้องใช้ความายก์กริดก็ได้มันไปเองของเพียงแค่ตั้งใจต่อหน้าพระพุทธเจ้าขอบารมีพระองค์แม่ตาสงเคราะห์ครบาอาจารย์แม่ตาสงเคางระเาะห์แก่ข้าพระพุทธเจ้ากากติดของข้าพระพุทธเจ้ามีความพร้อมอเข้าถึงความดีถึงความเป็นพระอริยะบุคคลในภาษาศาสนาในขณะที่ปฏิบัติอย่างน้อยก็มีความเป็นพระโสดาบัน พราะโสดาบันมีเสื่อรักพระนิพพานเป็นอา ร, รมณ์ถูกไหมอ่ามีตามต้องการพระนิพานอยู่แล้วนั้นถ้าแต่ตรงเป็นข้าของเธวบริสุทธิ์กาวบดิสบริสุทธิ์ใจของเธอไม่มีการคิดอยากจะทําร้ายหรืออยากจะทำให้ผิดศิลเลยแล้วเห็นว่าสิงข้ากาวบทิสเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเรายอมรับความจริงว่าทุกคนแนมะ้แต่เราก็ต้องตายเชื่อในคําั่สอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่สงสัย สิ่งที่บรองส์ทรงสอนให้เราปฏิบัติแค่ความเป็นพระโสดาบันเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วไม่ตั้งโกว่าจะต้งองตกไปตัวอาบายภูมิแล้วเห็นไหมจิตใจเรามีความชุ่มชื่นอิ่นใจตลอดอย่างแลวที่สุดของเราละเราก็ยังมีความยินดีที่ปราถนาดีต่อทุกๆคนไม่คิดประทุษร้ายใครเป็นเพื่อนดีกับทุกๆคนเมื่อว่ากายวายาใจเราก็ไม่คิดที่จะประทุษร้ายใครทางกายทางวาจาและใจ พระอาริยะไม่มีใจที่จะคิดทำร้ายใครแน่งั้นเป็นพระอาริยะไม่ได้เพราะพระอาริยะคือคนที่เห็นทุกข์ถูกไหมถ้ายังมีจิตคิดประทุษร้ายคนอื่นด้วยกายวาจาและใจที่ไม่ได้จะทำพราะความเมตตาแต่จะทำเพราะความความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีอะไรก็ตามเถอะนะที่จะทุศล้ายจะประหรประหารเขาให้ตายให้เขาจบหายตายจากไปเลย หรือภาษาไทยให้มันทิพายไปเลยวะน่นนาจะพระอริยะเขาจะทํากันหรือไม่เรู้ว่าการจะทำอย่างนั้นก็คือตัดรบดีๆนั่นเองจริงไหมทุ ก, ท, กที่เขาจะต้องมีอีกวันเรื่องหน้านี่ก็เห็นทุกแลร้าจากความเป็นมนุษย์แล้แต่มนุษย์เขายังไม่อยากจะเป็นมนุษย์เลยอยากจะไปนิพพานเลยแล้วจะมานั่งทําความชั่วโลวเลยแบบนี้เพื่ออะไรจริงไหมไม่ทำเมื่อไม่ทําก็เด็กที่าคนที่ตรงใจเข้าถึงระดับ ตามเป็นพระอริยะผู้คนในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นจะมีใจแบบนั้นเป็นอันก็ไม่มีแน่เวลาเธอทําใจของเธอในเวลาปฏิบัติเนี่ยทําให้คล้ายเป็นหรือได้เป็นไม่สําคัญขอให้มีใจคล้ายครึงตัดสินใจเหมือนอย่างที่ท่านตัดสินใจได้ถ้าเธอวางอารมณ์ของเธอได้นะขณะเวลานั้นได้ผิดของเธอมานักถึงพระพุทธเจ้าขอพรพระองค์ทร ง, งเพระพุทธเจ้าจะ ทำให้เธิเ่ะไปปรากฏบทนาดที่ผ่านได้ตามปรารถนาเองเราพร้มป็ส ม, ม, มาชิถูกไหมเราภาวนาคาถานมพัสสะทำได้ตามเคารพต่อพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์งสิงห่ากบทสิกธของเราบริสุทธิ์เรามีความเคารพเชื่ในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เชื่อในสิ่งที่ตรงตรัให้เราว่าอย่างน้อยเราก็ต้งองตายยังไงเสียเราคิดได้ไหมเราไม่ตายคนเดียว ทุกคนในโลกมันุษตายหมดจะเป็นคนมีวัสนามากวาสนาน้อยเป็นคนมีปัญญามากปัญญาน้อยตายทุกคนจะดีมากดีน้อยตายทุกคนตายหมดและการตายของทุกคนก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เหมือนกันหมดถูกไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เอาอะไรไปที่เขาประทานให้กพระองค์มากมายถาวายพระองค์มากมายเยอะแยะสมัยที่องค์ยั ง, งทรงพระชนม์ชีพอยู่เห็นไหม เยอะแยะมากมายพระพุทเจ้าก็ไม่เอาไปไม่มีใครอาไปได้ถ้าเราเชื่อบ้านอย่างนั้นว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายการตายมันแค่ภายนอกแตจิตทุกคนไม่ตายตความปูกพันหรือความอะไรอาวรณ์มันจึงไม่จําเป็นจะต้องยึดถืออย่างนั้นเพราทุกคนไม่ตายจะทำคิดเพื่ออะไรถูกไหมวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องไปเจอกัน ตอนนี้ก็ยังโง่อยู่ก็ไม่เจริญวันมาก้องหน้าเขามีจิตสลับเหมือนกันถูกไหมเราก็ยังเคยโง่มาก่อนตอนนี้เราคิดได้แล้วแล้วก็ไปก่อนไปก่อนแล้วก็ปัดสินใจว่ากาเรเดินไปไปเกิดใแต่ความทุกข์อย่างนี้เราจะไม่ต้องการไปอีกต่อไปนิพพานเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดแล้วไม่ใอใจของเรออิ่มเครียดอิ่มในอิ่มในธรรมนะเกิดอิ่มในธรรม คือความคิดติในธรรมคตัสีในธรรมตัดจินใจของเธอเองไหมครับผมติ่ใจโ่าฉันเนี่ยไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ยากไม่อยากจะนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วเหมือนกับว่าเรากําลังจะหลุดลอยไปที่ที่มีความสุขเบื้องหน้าอันนี้ถ้าได้ผ่านไปนที่ไปเราไม่กลัวแม้ระทั่ความตายเดี๋ยวนี้เราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณัที่พึ่ง ขอท่านสันา้างรายผู้มีเป็นผู้มีพระคุณจอเราจะเป็นเซียวดาก็ได้ดังฟ้าก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ เ, รปนะเป็นพระเดชพรคุณหลวงพ่อหลวงปู่นะและสิ่งท่าขอให้ท่านช่วยมาประคับประคองใจเราให้เราได้เห็นสภาพของมิจฉาตามควาเป็นจริงทัดเทียมจิตใสเท่าเนี้ยถ้าสามาธิของเธอพอดีพอดีภาพก็จะปรากฏชัดเจน ถ้าสะมาที่ของเราสูงเกินไปภาพก็ไม่ปรากฏมีแค่ความรู้สึกถ้าสะมาที่ของเราต่ําเกินไปภาพก็ไม่มีปรากฏก็มีแค่ความรู้สึกแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ถึงจะมีแค่ความรู้สึกนะภาพจะไม่ปรากฏให้เราได้เห็นอะไรแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ที่ผ่านได้ก็เป็นอยังไงความรู้สึกมาจะบอกเลยบอกเราได้เลยว่ามีอะไรบ้าง ยอดหน้าของเรามีอะไรบ้างตอนเราจะรู้สึกว่าเราเห็นอะไรบ้างเห็นได้ตามความรู้สึกแต่ไม่มีภาพปรากฏเพราะสมาธิตอนเรามันไม่พอดีถ้าเจอกรรมสมาธิดีหรืคัดอุปจาระทรงตัวดีภาพก็จะประกากฏชัดเจนเหมือนดูหนังดูสารทได้นะดันั้นเรื่องภาพเป็นเรื่องของสมาธิแต่เรื่องใจเรามันเรื่องของความบริสุทธิ์ของใจเรา ที่ต้องทำให้ถึงถ้าขัดใจเรายังไม่ถึงเธอจะไปอยากวันตันหาช่อยเธอไม่ได้ตอนนี้ถ้าใครทำถึงอารมณ์อย่างน้อยตวามเป็นพระโสดาบันได้ลองไม่ใช่ใช้ไม่ต้องใช้คำว่าลองลนะ่ะขอรัตนาบา ร, รมีพระพุทธเจ้ารัตนาบา ร, รมีปุรบารอาจารย์ผู้มีพระคุณเจ้าหน่ายสงเคราะห์ ช่วยของข้าพพุทธเจ้าสว่างสวัยชัดเจนจับสายสั่งความเป็นจริงเป็นอัตราช่วยใจของข้าพพุทธเจ้าจงอารมณ์นี้ไม่ได้อย่างน้อยต้อความเป็นพระโสดาบันเพราะข้าพพุทธเจ้ามีจิตมั่นที่จะใช้เวลาปฏิบัติทั้งชีวิตนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ละเลยในสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์แม้แต่อย่างเดียวอย่างเลวที่สุดที่ข้าพพุทธเจ้าจะกระทาได้และไม่เสื่อมโทรมลงไป คือเขีนห้าข่าวประวัติสิ่งที่เจ้าพระพุทธเจ้าเคิดได้เล็กน้อยคือมีปัญญาไม่มากข้าพเจ้ากระยอมรับความจริงคือความตายว่ามันต้องเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและทุกคนแน่นอนที่เป็นเทวรักทั้งหลายก็ต้องตายหมดสลายหมดพังหมดไม่มีอะไรจะเหลือดังนั้นไม่มีอะไรที่จะเดินใจของข้าพระพุทธเจ้าให้หวนกลับไปยินดีอีกแล้วสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าหวังยินดีเสียงเดียวคือการได้กลับมาเกิด ขอองค์เสด็จพะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานพระผู้มีพระคุณใหญ่ทุกๆพระองค์ท่านท่านคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ลวงปู่หลวงพ่อท่านปู่ท่านย่าภพเทวดาทั้งหลายได้โปรดอนุเคราะห์สงเคราะห์ประโยค์ให้ใจของข้าพุทธเจ้าได้มีโอกาสสําคัญเห็นสภาพตามตาเป็นจริงน่าดายพระริพานย์ชัดเจนจําแส่แจกอัจฉรยะได้เตื เาก็เอาความรู้สึกของเราถ้าภาพไม่ปรากฏก็อยากไปกังวดแล้วเป็ น, นที่เรียกที่เราบังคับปล่อยเอาความรู้สึกของใจเราไปคิดนะั้งยควารู้สึกที่เรามีเรามีความรู้สึกต่อสัมผัสอะไรได้บ้างเราต้อสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าความวิสุทธิเทพเราสัมผัสสิ่งที่เราอยากจะไปกราบวใกล้ๆสีพระบาทของพระพุทธเจ้ามีไหม อยากจะเข้าไปสัมผัสสิ่งที่สวยสดงดงามหรือสิ่งทีช่ชื่นใจสบายใจบนแดนนี้มีไหมคือความสว่างส ว, งสวยความจินใจความเบิกบานในใจเรามีปรากฏบนแดนนี้ให้เราได้สัมผัสได้ไหมบนแดนนี้มีอะไรติดต่์ในใจของเราบ้างไหมหรือมันโป ร, งรป่งสบายทาให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับอยากจะติดเขาประทับอยู่ที่นี่ตลอดกาลตลอดสมยัย ไมอยากเคลื่อนใจไปที่ใดเลยณเวลานี้ใจ้หวนกลับไปเป็นมนุษย์ให้จเป็นมีภาระมากมายต้องไปรับผิดครอบคนนั้นต้องคอยกระทําเพื่อคนนี้ต้องคอยพยุงร่างกายของเราอย่างนั้นคนเจ็บคนปวดคนทรมารไปเพื่ออะไรสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยอยู่ที่นี่ไม่ต้องทําอะไรอยู่ที่นี่มีแต่ความโปร่งความสบายใจ ยังมีท่านทั้งหลายที่มีเพื่อมีพระคุณต่อเราที่เคเป็นพ่อเราแม่เรามีอยู่ขออาราธนาท่านสิและนึกคิดถึงว่าท่านองค์ใดบ้างหนอที่เคยเป็นพ่อของข้าพุทธเจ้าเคยเป็นคุณแม่ของข้าพุทเจ้ามาก่อนที่เวลานี้ท่านเสวยความสุขบนแดนที่ผ่านแล้วขอได้โปรดเม่ตาสงเคราะห์ให้ข้าออพุทธเจ้าสัมผัสได้ในใจด้วยเถิดถ้าสามารถทำให้ลูกเห็นได้ก็เม่ตาสงไข้ลูกเองเห็นตามความเป็นจริงชัดเจน อยากใส่สัาจธารรได้เพย์ย้งนะเอาความรู้สึกของเราไปคิดตั้งภาพเรื่องของสมาธิไม่เกี่ยวกับเราไม่จังประคับอย่าสนใจถ้าเราสัมผัสมี่ตารู้สึกว่าท่านมีอยู่ถ้านมาไม่ตาให้แค่เรามีอยู่กราบท่านสิ เราชอบที่จะได้กราบท่านผู้มีพระคุณไกล้ๆจากที่เท้าก็ได้กราบที่ตักก็ได้กราบท่านด้วยความเคารพขอบพระคุณทุกๆ ท, กท่านที่เคยสง่งเคราะห์ให้ความสุขในอดีตชาติมาในการก่อนได้เคยให้ความรู้ความเข้าใจให้ความรักให้ความปรารถนาดีกับเราทั้งท่านเราและท่านก็ไม่ได้จิต ด, ดวงเดียวกันไม่ได้เคยไปอะไรมาในการก่อนด้วยกันตั้งแต่เป็นจิต แต่ก็มาประสบพบกันได้ความมีบุญทีบาปซึ่งกันและกันท่านก็ยังมีน้ําใจมีความเมตตาปราณีต่อเราอย่างล้นเหลือเห็งใจที่ข้าพพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งไม่กายวาจารใจจะทําให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นจีนา ม, มาดาเ ร, รียบก็รู้สึกความไม่สบายใจเสียใจแม้แต่นิดน้อยขอได้โปรดไม่ตาอดโทษให้แกข้าพพุทธเจ้าได้เถิดเจา้าข้าจะขอรับขวาวไป จะมีความรู้สึกว่าได้รับความอกอุ่นจากท่านใกล้ๆแล้วท่านแสดงกิริยาอะไรในความรู้สึกที่เราได้รับตอบต่อความรู้สึกในใจเราปันหตึ่งเรามีอะไรเข้ามาอบอุ้มเราไว้ไหมมาแตะต้องเราตรงแตะต้องเราบ้างหรือเปล่ามีเสียงที่ส่องเข้ามาในใจเรามีความรู้สึกท่านพูดอะไรกระทบเข้ามาในความรู้สึกในใจเราให้เรารู้สึกสิ่งนี้มันขุดขึ้นมาในใจเรามีบ้างไหม ไม่ต้องสนใจาพาดจางเลยนะสนใจความรู้สึกที่ใจเราปลดเรียกงนี่แต่ความปลอดโปร่นี่แต่อารมณ์ใจเป็นหนึ่งเดียวที่ฉันต้องการความสุขที่นี่ฉันต้องการอยู่ใกล้ๆท่านผู้มีพระคุณที่นี่ฉันต้องการเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าใกล้ๆไหนๆมาที่นี่แล้วขอราชนาบ ร, รมีพระพุทธเจ้าทุกทุประองคได้โปรดสงเคราะห์ มีเสด็จพ่อองค์งาาะะปฐมบรมัะราร็ประานตพ่อพระสัสมท้าเป็นที่สุดพระรนาะพุทธองค์เมตตาปรากฏให้ข้าพระพุทธเจะาได้มีโอกาสได้กราบ้พระบาทของเพรมารโลกนาได้เพระพุทธเจ้าข า, าข้าความ ร, รู้สึกของใจเราเราได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ๆสัมผัสใกล้ๆไหม แล้วจตจจะกราบลงไปที่พระบาทขององค์เสด็จพระบรมมโลกขณะเรามีความรู้สึกว่าเราไปแตกต้องอะไรอยู่ใกล้ๆกับสิ่งันสิ่งนั้นในความรู้สึกของใจของเราคล้ายอะไรเห็นเป็นอย่างไงมีความรู้สึกที่ผุดขึ้นในใจของเราไหมั้เราก็ตั้งมโนปฏิจารฑ์แนวแนวว่าชีวิตทั้งชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าได้า ป, ปารก ได้ตั้งความปรารถนาเสมอว่าขอมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ทําความชั่วจะพยายามจะไม่พูดชั่วคิดชั่วตลอดชีวิตจะไม่ยำตกเป็นทาสของชีเลติมารที่ดึงใจของข้าพระพุทธเจ้าครุ่นเค้าเหนือความเป็นกรรมที่จะอกุศลรักก ร, รจะพยายามจะข่มใจกดใจไว้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ที่ไม่จิตของข้าพระพุทธเจ้าคิดจะสิ่งที่เลวร้ายสร้างความทุกข์ให้แก่ข้าขอพพุทธเจ้าซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธ อ, องค์ทรงมีพุทธประสงค์สิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำได้คือใช้ชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดรักษาใจของข้าขอพพุทธเจ้าให้เป็นความดีให้สมกับที่งองค์เสด็จพระจินนารสีบรมัสสะสระทรงเหนื่อยียดทรงลำบากกว่าพระองค์จะได้ปรลุอภัยเศสสัมมาสัมโพธิญาณนำ สิงที่เป็นของแจกแจ้ไม่คุมเครียดมาบอกให้แก่ข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติให้เข้าถึงความดีคือความสุขได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีบุคคลใดปรทําได้เสมอเหมือนถ้าพพุทธเจ้าจึงตั้งจิตยอมมอบ ก, กายถ ว, วายชี่อุโบสถธรรมมาสามลิตรก่อนัแบแจกัดนี้เป็นต้นไปจะสำรวมระวัดระวังจิตใจของข้าพพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จะไม่เผลอที่จะพูดไม่เผลอที่จะคิดไม่เผลอที่จะกระทาสิ่งใดออกไปถ้าไม่มีแรงของวิบากกรรมใดๆให้หลุดต้องไปกระทําความชั่วเหล่านั้นโดยที่ข้าพุทธเจ้าไม่ได้ตีดใจอยากจะกระทําเลยทิ่งนั้นจะกงเป็นสิ่งที่ข้าพุทธเจ้าห้ามปรามได้ยากแต่ด้วยเจตนาแห่งใจของข้าพุทธเจ้าแล้วไม่มีความประสงค์อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะชีวิตทั้งชีวิตเชื่อแล้วข้าพุทธเจ้าค่ะ ว่าเสียงชิบโองตรงสั่งสอนแนะนําข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของที่มีค่าที่สุดหาได้โดยยากในโลกมนุษย์ความสุขที่ข้าพพุทธเจ้าจะเพลิงเกิดเป็นของทําได้ได้ยากเลยซึ่งต่อหน้านี้ข่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะมาคอยชี้นัย็นความสุขในใจของข้าพพุทธเจ้านอกจากจะดึงไปให้เจตน์ประสงค์ทุกอย่างเดียว แล้สิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าท้งไหน ย, ยอมว่ากายถวายชีวิตอย่างนี้เป็นจัจะวาจาเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะทั้งชีวิตนี้จังป่าลมหายใจจะสิ้นจะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจลงไปในการปฏิบัติใจของตนให้มากที่สุดผลจะได้แท่ไหนข้าพระพุทธเจ้ากะหวังที่สุดคือการจบจิตในพระสัจนาโอเสตพระสัจด า, ดามะสัพุทธเจ้าพุทคิทโรในโปรด เป็นกำลังใจให้แก่ข้าพพุทธเจ้ายามใดที่ข้าพพุทธเจ้ามีกำลังใจอ่อนมีกำลังใจที่กำลังตกไปอยูน้าหาของกิเลสกัญหาในคราใดขอทุกพระองค์ในกิเลสพ่ออมชมรมมาาสดาเป็นประชานไมใปบดคุ้มครองรักษาใจของข้าพพุทธเจ้าให้เกิดกำลังเกิดสติสัมปทัญญะเกิดปัญญาสามารถจะพิชิตและพิจารณา กัดคามทุกข์หรือคามโงรภายในใจของข้าพพุทธเจ้าให้สิ้นอย่างรวดเร็วทัน อ, อกทใจขออำนาจพระบารมีของพระองค์ได้โปรดปกอารักษาคุ้มครองใจของข้าพพุทธเจ้าให้หลุดพ้นจากอำนาจอกุศลกรรมที่จะคอยจุดลังกระทากใจของข้าพพุทธเจ้าคอยคิดชั่วคอยทําความชั่วคอยพูดชั่ ว, ว, พ, ว พ, พุทธเจ้าค่ะ แล้วเราก็เรามานึกดูเราเอาความรู้สึกหายใจของเราดูที่ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นยังไงใจเรามันสว่างไห ม, ถ, ม, ถ, มถ้าดูนิมิตภาพยึดเหนี่ยวร่างและได้ที่จะมานั่งกายแล้วพอมีให้เห็นเป็นรูปใร่างไหมเรารู้สึกว่ารูปร่างของเราเป็นยังไงมันหนาเส้ทักหรือมันเป็นยังไงมันมืดมัวหรือมันสว่างมันใสาบาง แต่เป็นหญิงเป็นชายจะเป็นเด็กก็แลแ้วแต่เถะนะตอนนั้นไม่ต้องสนใจจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะเอาก็ตความรู้สึกเวลานี้มันรู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดให้มากนะแล้วก็ตั้งใจต่อไปว่าข้าขพปกเจ้าจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่นี่ข้าขพปกเจ้าต้องก้าเท้ามันอยู่ให้ได้ในชาตินี้แหละจะไม่รอชาติต่อไปแล้ว กรรมที่เป็นมนุษย์จะมากจะน้อยเพียงใดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสนับข้าพพุทธเจ้าทําให้ข้าพพุทธเจ้าไม่ประมาทถ้าชีวิตมันถุกความุกข้อข้องําตื้นเนื่องไม่ขาดสายอาจจะทําให้คนอหย่าดข้าพุทธเจ้านั้นหลงลันเลยประมาทในชีวิตก็ได้นั่นอิบากรมันจะมีจะน้อยจะมากข่าพพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวแต่ไม่หวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น สิ่งีต้องการมากคื อ, คอสติปัญญาและสิ่งที่สามารถจะทําให้ข้า พ, พุทธเจ้าเข้าถึงอารีมัชอาเรยผลได้ความสะดวกสบายราบรื่นเป็นไปได้โดยง่ายหากบุญกุศนที่ข้า พ, พุทธเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสติปัญญาที่ฐานจิตตั้งจิตแน่วแน่มาในการกอ่อนว่าขอบริพารในอนาคตการแล้วไซด์ขอณแต่แบบนี้นิพพานของข้าพระพุทธเจ้า จะไม่ถึงเป็นอนาคตอีกต่อไปขอเป็นไปในภาติตุกตุปนี้เท่านั้นเป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นพรพุทธเจ้าค่ะขอบุญทั้งหมดจะมาเป็นกําลังเป็นกระบะห้อมร้อปกปักรักษาเพื่อนหนุนใจของข้าพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้มีกําลังสามารถที่จะกระทําในกิจเพื่อการจะพิจรารณาธรรมด้วยสำลักตรัสจิตใจของตนให้โปร่งใส โดยไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามาขัดมาขวางหากหรือว่าที่บาป ก, กรรมใดๆจะเพิงบังเกิดมีขอจัตเจวาจาขึ้นนี้จงมาเป็นกำลังเหมือนปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมในเวก็ดีที่คิดพยาบาทอาฆาตอยู่ก็ดีโบเราพยามาณทั้งหลายก็ตามจงจําไว้ว่าจัตเจวาจาแห่งเราผู้ตั้งจิตมัน่น มอกกายถวายชีวิตองค์เส็จพระธรรมสาวิตในวันนี้ในมีความหนักแน่นและมั่นคงตลอดชีว เ, เราจะไม่ยอมให้จิตของเราเป็นไปในทางที่เลวร้ายเราต้องการจะรักษาใจของเราไปสู่ในทางที่ดีที่สุดจนถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ให้จงได้และบนใดๆที่ได้กระทามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้นจเพิงบังเกิดขึ้นในอยากที่ชีวิตยังมีอยู่ พระปัจ้ายจะเอาบุญทั้งหมดที่ทำํำมาทุกครั้งทุกคราวเพื่อเกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติใจของข้าพพุทธเจ้าที่แป็นไปได้วยบามราบรื่นถึงมักถึงผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุดหากท่านทั้งหลายทุเป็นเจตจำนงในเวรละหมูเม่เหล่ามยามาทั้ไหนจะมาคอยขัดมาขวางใดๆก็ตากปูนส่วนนี้จงมาเป็นกํำลังปกป้องคุ้มครอง อยาให้ก้าลงเข้ามาในใจของข้าพพระพุทธเจ้าใดเลยแม้สักน้อยนิดถ้าจำในเวรท่านผู้ใดนิจจินดีในบุญยาราสีจิตจินดีในความปารฉนาแห่งใจของข้าพพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ว่าสิ่งอะไรควรทําสิ่งอะไรไม่ควรทำสิ่งอะไรควรคิดสิ่งอะไรให้ควรคิดและได้รับรู้จากครูบาอาจารย์ผู้เป็นบ ร, รมครูรหรือพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านั้มีจิตใจ ยอมรับในคําสั่งสอนขององค์เส็จพระปฐมเจ้าได้ปลบมายินดีและโมธนาได้ปลดมาอาหุ้ติกรรมให้แก่ข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายและด้วยกําลังของพระพุทธานและพระอนหาประมาณไม่ได้ที่ตรงตำแหนะพยามาณทั้งหลายขอพระบารมีของพระองค์ได้ปลดคุ้มครองปกปักรักษาใจของข้าพพุทธเจ้าจะให้โมเหล่าพยามาณและมาณทั้งหลายที่ฆ่าความดีของข้าพพุทธเจ้า มาทำร้ายใจของข้าพุทธเจ้าได้เลยไหมสัตว์เลี้ยงเดี่ยวเกเด็กแห่งสัจจวัตรสัตยาทิฏฐนอันหนักแน่นแน่วแน่วหวังซึ่งการไม่เรียนไาวใจเกิดเป็นกํำลังหวังที่จะดําเนินเอาชีวิตถวายต่อองค์เสด็จพระธรร ม, มาตาัมการปัมพุทธเู้าอย่างจริงใจและจริงจังยังไม่ยอมให้พลาดให้เผลอ ถ้าทั้งเผยหลงเลิมสติข้าพเจ้าะจะคิด ใ, ใหม่ทําใหม่ทันทีจะไม่ยอมกลับลงลงไหนไ่าฝันย้อนกลับไปทางที่เลวอีกต่อไปขออานาจแห่งสัจิยาที่สารที่เจเอาไว้ต่อหน้าองค์็จพระจอมใจบรมศาสดาทุกทุตระองค์ณแดนที่บริบรมมาสุขขอจงได้ปังเกิดผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้เถอดแพ้วพระเจ้าค่ะ สิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งตั้งมโนปฏิฐานอันแน่แน่ดีแล้วไช้ขออิีเครื่องหมายจึงได้ปรากฏให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นว่าสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจกระทําในวันนี้เพื่อมีผลต่อการตั้งเจตนารมณ์อธิษฐานวิมานของข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปรากฏบนแดนสานิพาให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นสัมผัสได้ รู้ได้ในใจของข้าขพพุทธเจ้าหากจะชัดเจนจำใจก็จงได้ปรากฏให้ดูได้เห็นจมอัตราหากไม่มีภาพในปรากฏก็ขอในความรู้สึกของข้าพอพพุทธเจ้าชัดเจนจำใจตามความเป็นจริงด้วยเถพอดพระพุทธเจ้าค่ะ เาความรู้สึกของเรานะเราไม่ต้องข้างตัวเราหรอาากความรู้สึกมันหลอกเราไม่ได้มีหรือไม่มีเราก็รู้ในใจของเราเองภาพไม่ต้องสนใจภาพไม่ใช่เครื่องวัดแใ่เราจำไว้นะปฏิบัติภาพเป็นเรื่องของผลของสมาธิไม่ใช่ใจเราถาใจเราทรงสมาธิดีมันก็ปรากฏพอดีของมันเอง สูงเกินไปก็ไม่มีอะไรให้เราได้เห็นต่ำก็ไม่เห็นเอาความรู้สึกของใจเราในนั้นที่มันมีความพอดีพอดีอะไรพอดีที่ใจของเรามีดีมีใจคารพบจริงในพระพุทธเจ้กการพาะระธรรมพระอริยสงฆ์นั่นดีมีปัญญายอมรับนับสีคำตั้งต้งององค์เสด็จพชินานาสีทั่นดีถูกไหมถ้าเราดีทั้งสองประการอย่างนี้ จิตของเรามีตามปองใสยของแท้ความรู้สึกของใจเราจะมาหลอกลวงเราไม่ได้แล้ก็กราบขอบพระคุณ อ, คองค์เดชทัตมาจักรพุทธเจ้านะทันไปกราบขอบพระคุณทุกสพระองค์ที่เมตตากรุณาสมเคราะห์ไม่มมว่าท่านทั้งหลายจะสเวสวยความสุขณที่ไหนขอย ใ, ใจของข้าขอบพุทธเจ้าได้ไปถึงที่ที่ท่ทานได้อยู่ ทุกท่านที่มีพระคุณต่อข้าพพุทธเจ้ามาในทางก่อนจะจดไว้ปากตุกหน้าแดนใดขออำนาจแห่งใจของข้าพพุทธเจ้าก้าวล่วงเข้าไปสิจอยู่ต่อหน้าท่านได้บุญคุณสศลใดๆที่ทราของพุทธเจ้าทํามาจงกลับกลายเป็นเครื่องประการะูุชาอันสวยสดงามขอให้ท่านจังไหนได้โปรดไมตตรับอนุโมทนายินดีในบุญญาศรีได้ได้เมตาสงเคราะห์เพื่อคุณ ไม่ว่าข้าพพุทธเจ้ายังทรงเป็นมนุษย์อยู่คือทรงตามเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดขนาดใดที่ข้าพพุทธเจ้าต้องขาดทำสิ่งใดขอทุกทุพระองค์ที่มีพระคุณต่อข้าพพุทธเจ้าก้าวลงมาในชีวิตของข้าพพทเจ้าได้ทุกครั้งทุกคราเพื่อขจัดแต่เบาสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยให้แก่ข้าพพุทธเจ้าโดยเสรีเพืนับสนุนเส้นทางเดินสู่อริยมรรคอริยผลของข้าพพุทธเจ้าให้บังเกิดผลอย่างราบรื่น แล้วก็ให้ไ ด, ด้ได้เสร็จแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านไนดะ้ราที่เราจะกลับและก็ตังใจของเทวัญลอยอยู่กลางอากาศ แมื่เราลอยอยู่คนเดียวในก า, างอากาศว่งวางวว่างเปล่าปฏิสลาอย่างยอดยิ่งไม่มีความทุกข์ใดๆแตต้องใจเราได้เลยไม่มีมสิ่งใดจะมารบกวนจทรกเราให้มีความวุ่นวายแม้สัก น, น้อยนิดขออำนาจพระบารมีของพระเดพระสัมมามพทพรพงเปรตพระสัพจรังสีและมุห์หกประการในก คอบคุมหัวใจจิตใจของข้าพุทธเจ้าดวงใจของข้าพุทธเจ้าให้มีกำลังได้เสริมพระพุทธเจ้าข้าขอทรงโปรดด้จารประทานสงเคราะห์ขอกำลังของพระบารมีของพระพุทธเจ้าอนาประมาณได่ได้ได้โปรดแม่จารประทานให้ข้าพพุทธเจ้าต่องบุญด้วยกำลังจิตที่ข้าพพุทธเจ้ามีปามปรีตอนนี้ยังใจของข้าพพุทธเจ้าให้ถึงใจของท่านทั้งหลายที่กําลังเสวยทุกขเวทนา อยู่หน้าแดนอวัยภูมิทั้งหลายไม่ว่าจะนรบขุมไหนเปลดอกชั้นไหนประเภทไหนส้ำพรเวสีอยู่ที่ไห น, นจุลกละจายจะอยู่ตรงไหนหากท่านผู้ใดก็ตามเพลิเมตตาตาโรนกับข้าพระพุทธเจ้ามาในการก่อนท่านเหล่านั้นกำลงังสวยทุกขเวทนาอยู่นาสถานที่ใดก็ดี ขอได้อํานาจท่าบารมีของพระพุทธเจ้าและบุญญาลิ์บนที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในบวรแห่งพระพุทธศาสนาแต่ตั้งใจร่วมตั้งก็ดีสร้างเองก็ดียินดีกับสิ่งที่เขาตั้งก็ตามในบวรแห่งพระพุทธศาสนาที่องค์พระพระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นณโลกมนุษย์แดนนี้และด้วยกำลังแห่งกรรมฐานที่ข้าพระพุทธเจ้ามีคือจิตใจอันปราดจาก กิเลสกาหาในขณะเวลานี้ได้ได้อำนาจพระพุทธภานุภาพพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ขอบุญกุศลที่เึงบังเกิดแก่ข้าของพระพุทธเจ้ามาในด้านใดทั้งหมดที่ทําให้จิตของข้าของพุทธเจ้าจันใจมีความสุขความสุขที่ข้าของพุทธเจ้ามีต่อนี้จงยังให้ใจของท่านทั้งหลายจงพอได้รับความสงบความสุขตามเป็รริสระปราศจากสิ่งที่เป็นเครื่อง ทุกขเวทนาทรมานใจท่านจงได้ปรกากฏผลนับแต่บัดนี้ด้วยเถอดพระพุทธเจ้าค่ะหากท่านผู้ดใดมีจิตใจเบิกบานสงบกับทุกขเวทนาแล้วบุญใดดที่เพิ่งบังเกิดขึ้นจากข้าพระพุทธเจ้าเพียงใด ถ้าจบได้รับประโยชน์ตามสุขที่เดียวพ้ะพุทธเจ้าจะสึกได้รับได้เลยแล้วก็กำลังใจก็เรากราบขอบพระคุณคระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู <SU Cru iale> ่หลวงพ่อ ขอบพระคุณท่านปู่ท่านยาท่านทั้งหลายนอมใจขอบพระคุณท่านนะลาท่านวันนี้เอาแค่นี้นะอาการใจไปเชื่อจบประสอกันนะ ทางบุญยญะพลังวันละบุญใจที่ข้าพเจ้าทั้งหลายตัต้งําเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอทิส่วนคสนให้แก่จะากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอห้ท่านทั้งหายจงโมธนา ยออาโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ัจจุบันนี้ตามพระสุพระนิพานและคอยพิจารณาส่วนนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากรละที่พบและทักษันทญายมราชพระเทพเจ้าทั้งหลาย ในพยายามมาราศ์ไดโปรโมทนาได้โปเป็นสักขีพยานใ น, าานการบัณฑิตกุศลขอเข้าไเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดและการที่จบ ก, กนนุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่จะวยความสุขอยู่ก็ดีจะวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นยาติก็ดีนิ่แค่ยากก็ดี ท่างทั้งหนจงโมทนาเพื่อได้รับประโยชน์ความสุขที่เดียวกับข้าพเจ้าจะเพื่อได้รับใม้การระบัดเดียวนี้สืิดเลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนักโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้จงเป็นตักใจให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง เประเอกาตในชาติตาจบันไดเพอร่างสมมาสมพุทธพัพกวันพุทธังพัพกวันตามอภิวาเทมิตวาผ้าตอผ้าตอวัตรเสมอังนมัสามิ สุป ah ัตต <yan> ิปันโนท้คาวัโตทาวัตตังโคตั้งคังนัมานีบูชาทุกคนนะ